บทที่12สัมพันธภาพทางเพศเสนดึงดูดและสร้างสารรค์ขั้นตอนที่สิบสู่ความร่ำรวยบทวิจารณ์สิ่งซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับมนุษยชาติก็คือการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และโต้เถียงกันในเรื่องของปรัชญาส่วนสิ่งที่สร้างแรงจูงใจพื้นฐานให้มนุษย์ก็คือความต้องการอาหารน้า ที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งหม่มรวมไปถึงความปลอดภัยนอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานของชีวิตแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่สร้างแรงจูงใจให้มนุษย์ปัจจัยเหล่านี้มีคำจำกัดความและมีลำดับความสำคัญทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Human Needs) โดยนักจิตวิทยาอับราฮัมมัสโลได้จาแนกความต้องการของมนุษย์ ออกเป็นแตดระดับเริ่มต้นจากความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและความปลอดภัยลำดับต่อไปเป็นความต้องการการเป็นเจ้าของความรักความต้องการได้รับความนับถือยกย่องสุนทรียภาพและความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงนักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาคนอื่นๆ อ, อาจให้คาจากัดความและจัดกลุ่มแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันคือลำดับขั้นของแรงจูงใจที่สำคัญหลังจากความต้องการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมักจะเป็นการมารมและความรักนโปลียนฮิลก็ได้จัดลำดับขั้นของสิ่งซึ่งเขาเรียกว่าตัวกระตุ้นจิตใจฮิลมีความเห็นตรงกับมัสโลและนักจิตวิทยาคนอื่นในการจัดการมรรมและความรัก ให้เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตแต่เป็นแรงขับซึ่งทรงพลังที่สุดของมนุษย์เขาไม่คิดว่ากามรมและความรักเป็นตัวฉุดรั้งมนุษย์แต่ฮิวสนใจทฤษฎีที่ว่าถ้ากามรมณ์และความรักเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ทําสิ่งต่างๆมันก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับผลสำเธิจและความสําเร็จของมนุษย์ด้วยถ้าความสัมพันธ์นี้มีอยู่จริง เราจะสามารถใช้แรงจูงใจนี้เพื่อผลักดันตัวเองได้หรือไม่ในหนังสือฉบับดั้งเดิมฮิวใช้คำว่ากามรมและพลังแห่งเพศในการวิเคราะห์แรงจูงใจเหล่านี้ว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติและบุคลิกภาพของคนเรานั้นกามรมในบริบทนี้ไม่ได้มีความหมายถึงเรื่องความต้องการทางเพศอย่างที่เราเข้าใจกันในทุกวันนี้ ปัจจุบันเราเปลี่ยนไปใช้คำว่าสัมพันธภาพทางเพศความลหลงไหลหรือสเสน่ดึงดูดในบทนี้ผู้เขียนจึงได้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่ใช้ตามความเหมาะสมในปัจจุบันจบบทวิจารณ์สเสน่ดึงดูดอารมณ์ของมนุษย์มีส่วนสำคัญในการสร้างกฎเกณฑ์และอารยาธรรมคนเรามักอยู่ใต้อิทธิพลของอารมณ์มากกว่าเหตุผลการสร้างสารรค์งานอะไรสักอย่าง คุณก็ต้องใช้อารมณ์ไม่ใช่เหตุผลล้วนๆจิตใจของคนเราตอบสนองต่อสิ่งเรา้าผ่านสิ่งซึ่งเป็นเหมือนกุญแจเปิดทางเช่นความกระตือรือร้อนจินตนาการสร้างสารรค์หรือปณิธานอันแรงกล้าสิ่งเรา้าที่กระตุ้นจิตใจของเราได้แก่ 1. ความต้องการแสดงออกทางเพศ 2. ความรัก 3. ความปรารถนาในชื่อเสียง อำนาจความมั่นคงทางการเงิน 4. ดนตรี 5. มิตรภาพและการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 6. กกลยานามิตรที่พร้อมจะร่วมกันคิดและระดมความคิดเพื่อความก้าวหน้า 7. ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 8. การเสนอแนะตัวเอง 9. ความหวาดกลัว 10. แอลกอฮอล์และยา ความต้องการการแสดงออกทางเพศจัดอยู่ในอันดับต้นๆของสิ่งเราที่มีผลต่อจิตใจและเป็นตัวผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆอารมณ์ที่สัมพันธ์กับแรงขับทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแรงปรารถนานี้คนเราจะกล้าหาญมีอำนาจจิตมีจินตนาการและมีความสามารถในการสร้างสรรค์โดยที่ในภาวะปกติแล้วพวกเขาจะไม่มีเลย ความต้องการการแสดงออกทางเพศกระตุ้นให้เรากล้าเสี่ยงและพยายามสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเขื่อนที่กั้นแม่น้ำไว้ทำให้กระแสน้ำถูกควบคุมไว้ชั่วคราวและได้รับการปลดปล่อยพลังออกมาในที่สุดกามรมก็มีลักษณะเดียวกันนี้มันจะถูกกักและควบคุมเอาไว้ระยะเวลาหนึง่งแต่ต้องหาทางปลดปล่อยตามธรรมชาติความต้องการทางเพศ เป็นสิ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและเป็นเรื่องของธรรมชาติความปรารถนานี้ไม่สามารถและไม่ควรจะถูกกักเอาไว้หรือทำลายทิ้งเสียมันสามารถส่งผลดีให้กับร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณหากเราสามารถควบคุมและจัดการแรงจูงใจนี้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยใช้เพื่อการสร้างสรรค์า ง, งานวรรณกรรมศิลปะและกิจกรรมอื่นๆซึ่งรวมไปถึงการสร้างความร่ำรวยด้วย วิทยากรผู้ซึ่งอบรมนักขายไปมากกว่าสามหมื่นคนให้ข้อสรุปว่านักขายที่มีแรงดึงดูดทางเพศมากที่สุดมักจะเป็นนักขายที่เก่งที่สุดคำอธิบายของปัจจัยทางบุคลิกภาพที่รู้จักกันว่าแรงดึงดูดเฉพาะตัวก็คือพลังทางเพศนั่นเองบทวิจารณ์มีการศึกษาทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามากมายว่าสัมพันธภาพทางเพศ อาจเกี่ยวข้องกับความสำเร็จตามแนวคิดของฮิวเนื่องจากสัมพันธภาพทางเพศเป็นลักษณะเด่นทางกายภาพการศึกษาวิจัยจึงเน้นไปทางเรื่องเพศความมีสเสน่ห์ขนาดร่างกายอายุโดยมีดัชนีชี้วัดได้แก่ความประทับใจครั้งแรกการแสดงออกปฏิสัมพันธ์การศึกษาและวิจัยเหล่านี้สรุปว่า เมื่อเปรียบเทียบคนซึ่งมีความสามารถไม่แตกต่างกันผู้ชายสูงจะดูดีกว่าผู้ชายเตี้ยคนที่มีผมดกจะดูดีกว่าคนศีรษะล้านผู้ชายที่หล่อและยังหนุ่มแน่นจะดูดีกว่าผู้ชายหน้าตาธรรมดาและอายุมากสำหรับผลของการเปรียบเทียบผู้หญิงพบว่าผู้หญิงสวยมีสเสน่ห์จะดูดีกว่าผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดารูปร่างผอมหรือสมส่วนดูดีกว่ารูปร่างอ้วนวัยสาว ดูดีกว่าสูงวัยข้อสังเกตเรื่องสัมพันธภาพทางเพศทางกายภาพนี้มีความชัดเจนและมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามคนที่ประสบความสาเร็จไม่ได้เป็นคนสูงอายุน้อยดูมีเสน่ห์เสมอไปทุกคนและก็มีคนประสบความสำเร็จที่เตีย้ยศีสะล้านและดูธรรมดาธรรมดาอาจมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งซึ่งเหนือกว่าเสน่ห์ทางกายภาพ สเสน่ห์ชนิดนี้เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพทางเพศของมนุษย์แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่ายั่วยวนคนที่มีคุณสมบัตินี้เรามักเรียกว่าเป็นคนมีบุคลิกดีมีสเสน่ห์ฮิวเรียกสเสน่ห์นี้ว่าแรงดึงดูดเฉพาะตัวหรืออาจเรียกว่าสเสน่ห์ดึงดูดจบบทวิจารณ์ผู้จัดการฝ่ายขายที่เก่งมักพิจารณาเลือกจ้าง พนักงานที่มีแรงดึงดูดเฉพาะตัวหรือมีเสน่ดึงดูดคนที่ขาดพลังทางเพศนอกจากตัวเองจะไม่ค่อยกระตือรือร้อนแล้วยังไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นกระตือรือร้อนอีกด้วยความกระตือรือร้อนเป็นหนึ่งในลักษณะสําคัญของนักขายไม่ว่าคุณกําลังขายของอะไรก็ตามนักพูดนักเทศนักกฎหมายหรือนักขาย ที่ขาดเสน่ดึงดูดผู้อื่นและไม่เห็นความสำคัญของการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นมักจะล้มเหลวไปตลอดเป็นความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะถูกโน้มน้าวด้วยสเสน่ห์ที่มีผลต่ออารมณ์จะทาให้คุณยิ่งเชื่อมั่นว่าสเสน่ดึงดูดเป็นส่วนสาคัญยิ่งของความสามารถในการขายนักขายระดับแนวหน้าสามารถสร้างยอดขายได้สูงเพราะเขาสามารถแปลเปลี่ยนสเสน่ดึงดูด พลังทางเพศไปเป็นความกระตือรือร้อนในการขายนั่นก็คือการแปลสภาพของกรรมณนั่นเองความหมายง่ายๆของคำว่าแปรสภาพก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งพลังการแปลสภาพของพลังทางเพศจึงหมายความถึงการเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกทางร่างกายไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตามธรรมชาติแก่ผู้อื่น นักขายที่รู้จักวิธีในการสร้างเสน่ดึงดูดจะเป็นคนที่มีศิลปะในการแปลสภาพของพลังทางเพศออกมาไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนักขายส่วนมากที่มีความสามารถในการแปลสภาพพลังทางเพศมักทำไปโดยไม่รู้ตัวและไม่รู้ด้วยว่าตัวเองทำได้อย่างไรคุณสามารถสร้างและพัฒนาคุณลักษณะนี้ขึ้นมาไดจากการติดต่อกับคนอื่น ด้วยความรู้ความเข้าใจนี้คุณสามารถพัฒนาแรงจูงใจที่สำคัญนี้ให้มากขึ้นและใช้มันสร้างความได้เปรียบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์พลังนี้อาจส่งต่อไปยังผู้อื่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. การจับมือสัมผัสที่มือจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีเสน่ดึงดูดหรือไม่ 2. โทนเสียงเสน่ดึงดูดหรือพลังทางเพศ เป็นส่วนสำคัญของน้ำเสียงที่ไพเราะและมีสเสน่ห์สกลร่ยาท่าทางคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดจะมีกริ่ยาท่าทางกระสับกระเฉงแต่สุภาพเรียบร้อย 4. บุคลิกภาพคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดจะส่งสัมพันธภาพทางเพศผ่านบุคลิกภาพที่สามารถโน้มน้าวผู้อื่น 5. เสื้อผ้าและการแต่งกายคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูด มักจะเป็นคนที่พิธีพิธันในการเลือกเสื้อผ้าและแต่งกายได้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและสถานที่บทวิจารณ์สเสน่ดึงดูดเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสัมพันธภาพทางเพศและความสำเร็จในหัวข้อต่อไปนโปเลียนฮิวจะเผยว่าสัมพันธภาพทางเพศเป็นปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จโดยการเพิ่มความสร้างสรรได้อย่างไร ฮิวได้หยิบยกชีวประวัติของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีเสน่ดึงดูดร่วมกับความสามารถในการสร้างสารรค์เพื่อที่จะอธิบายความเชื่อมโยงนี้ในขณะที่ฮิวกำลังศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้หญิงหลายคนเริ่มแสดงให้โลกเห็นถึงพลังและอิทธิพลของเธอในร้านหนังสือและห้องสมุดเริ่มมีหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับความสาเร็จของผู้หญิงอย่างไรก็ตาม เมื่อฮิวได้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมักได้มาจากชีวประวัติของผู้ชายที่ประสบความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่ผู้คนในวงการอุตสาหกรรมและผู้นําทางการเมืองที่ประสบความสําเร็จในช่วง30ปีที่ผ่านมาก็มักเป็นผู้ชายข้อจํากัดนี้ทําให้ฮิวไม่ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ชายในการส่งเสริมความสําเร็จของผู้หญิงซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นนี้ ในส่วนของบทวิจารณ์ต่อไปจบบทวิจารณ์สร้างสารรค์ผมพบว่าเบื้องหลังความสำเร็จของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมได้สิทธิพิเศษในการวิเคราะห์มักได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือภรรยานั่นเองซึ่งสังคมทั่วไปมักไม่ค่อยจะรู้จากการศึกษาของผมพบว่า มีอยู่บ้างบางรายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหญิงอื่นหน้าประวัติศาสตร์ได้จารึกความสำเร็จของผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลจากผู้หญิงซึ่งกระตุ้นจิตใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ น, นโปเลียนโบน า, าร์ปตเป็นหนึ่งในนั้นเขาได้รับแรงบันดาลใจจากโจเซฟินภรนรยาคนแรกทาให้เขาเข้มแข็งไม่มีใครเอาชนะได้แต่เมื่อตัดสินใจที่จะห่างเหินจากเธอ ความเสื่อมถอยก็เริ่มมาเยืนเขาพ่ายแพ้และถูกเนรเทศไปเกาะเซนเฮเลนาอับราฮัมลินคอนเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากการค้นพบจินตนาการสร้างสารรค์และนำมันไปใช้ประโยชน์เป็นที่น่าสังเกตว่านังสือทุกเล่มที่เขียนเกี่ยวกับลินคอนมักพูดถึงประสบการณ์แห่งรักที่เขามีเมื่อพบกับแอนนลัดเลต เขาได้ค้นพบมันและนำมันไปใช้ประโยชน์มันเป็นมากกว่าข้อมูลประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะมันคือการเชื่อมโยงบทบาทของสัมพันธภาพทางเพศที่มีต่ออัจฉริยภาพต่อไปนี้เป็นรายนามของบุรุษผู้มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นจอร์ดวอชิงตันนโปเลียนโบนาปาร์ตวิลเลียมเชคสเปียร์อับราฮัมลินคอน Ralph w โด d o เม e r ne, bard, Gary, Wilson, John s โรเบ b ร์ตเบิร์นโทมัสเจฟเฟอร์สันอัลเบิร์ตฮับบาร์ดอัลเบิร์ตเอชแกรีบูตโรว์วิลสันจอห n นเอชพาตเตอร์สันอันดรูแจันอนริโกซมีหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้โดยแต่ละท่าน ล้วนได้ครอบครองธรรมชาติแห่งกรรมรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลชีวประวัติได้นำไปสู่ข้อสรุปดังนี้ 1. ผู้ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ไม่เพียงแต่พัฒนาธรรมชาติแห่งเพศแต่ยังได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการแปลสภาพพลังแห่งกรรมรมอีกด้วย 2. คนที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวย หรือประสบความสำเร็จในด้านวรรณกรรมศิลปะอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมมักได้รับอิทธิพลและแรงจูงใจจากคนรักอารมณ์นี้ผลักดันให้พวกเขามีพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำในสิ่งต่างๆถ้าได้เข้าใจในสิ่งนี้แล้วคุณย่อมเข้าใจว่าทำไมการแปลสภาพกรรมรมจึงเป็นที่มาของศักยภาพในการสร้างสรรค์บทวิจารณ์ ถึงแม้ว่าหิวจะได้มุ่งวิเคราะห์เฉพาะผู้ชายแต่ในปัจจุบันมีชีวประวัติของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายทั้งด้านธุรกิจการเมืองาศาสนากีฬาวงการบันเทิงและศิลปะโปรดจำไว้ว่าชีวประวัตินี้ค่อนข้างเป็นนามธรรมา ในปัจจุบันท่านผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องสัมพันธภาพทางเพศที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้หญิงตามทฤษฎีของฮิวได้เช่นเดียวกันนปโปลีียนฮิวได้วิเคราะห์ชีวประวัติในเชิงลึกเพื่อค้นหาสัมพันธภาพระหว่างสัมพันธภาพทางเพศกับความสาเร็จของแต่ละคนทุกวันนี้เวลาเราเปิดโทรทัศน์จะพบเห็นเรื่องรักๆใคร่ๆของหญิงชายเต็มไปหมด นันบ่งบอกว่าคนทั่วไปยังรู้สึกดีกับเรื่องทางเพศถึงแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแต่ทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงนักกีฬาสุดยอดซีอของบริษัทนักการเมืองหรือประธานาธิบดีบางคนล้วนแล้วแต่ยืนยันทฤษฎีความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพทางเพศกับความสำเร็จจบบทวิจารณ์ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีพลังทางเพศสูงจะเป็นอัจฉริยะไปหมดพวกเขาสร้างอัจฉริยะภาพโดยการกระตุ้นจิตใ จ, ใจผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นหรือแรงจูงใจที่สาคัญที่สุดแต่ลำพังพลังทางเพศอย่างเดียวยอมไม่เพียงพอที่จะสร้างอัจฉริยะภาพก่อนที่จะเกิดอัจฉริยะภาพ พลังนี้จะต้องแปลสภาพความปรารถนาการสัมผัสทางกายไปสู่ความปรารถนารูปแบบอื่นและเป็นการปฏิบัติเสียก่อนจึงจะสามารถยกระดับผู้ใดผู้หนึ่งไปสู่อัจฉริยภาพได้อัจฉริยภาพและจินตนาการสร้างสรรค์คาจากัดความของอัจฉริยภาพคือคนที่รู้วิธีเพิ่มพลังความคิดจนถึงจุดที่คนผู้นั้น สามารถสื่อสารกับแหล่งความรู้ที่ไม่สามารถได้มาด้วยความนึกคิดธรรมดาธรรมดาคำจำกัดความนี้อาจทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจของท่านผู้อ่านคำถามแรกคือเราจะสื่อสารกับแหล่งความรู้ที่ไม่สามารถได้มาด้วยความนึกคิดธรรมดาธรรมดาได้อย่างไรคำถามต่อไปก็คือมีแหล่งความรู้ที่พร้อมเฉพาะคนที่เป็นอัจฉริยะหรือไม่ และถ้ามีเราจะเข้าถึงแหล่งความรู้นั้นได้อย่างไรในตอนต่อไปผมจะได้บอกวิธีการที่คุณจะพิสูจน์ความจริงและถ้าทำตามนั้นคุณก็ได้คำตอบนั้นเองบทวิจารณ์มนุษย์รับรู้สิ่งต่างๆผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ยังมีการรับรู้อีกอย่างหนึ่งที่เกิดเวลาที่คุณมีความรู้สึกกับอะไรบางอย่าง ซึ่งได้พูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องปณิธานศรัทธาและการเสนอแนะตัวเองไปแล้วการรับรู้ประเภทนี้มักเรียกว่าประสาทสัมผัสที่6และฮิวจะได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพทางเพศแรงจูงใจจินตนาการและสัมผัสที่6ต่อไปจบบทวิจารณ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัมผัสที่6 ได้รับการยอมรับมานานแล้วสัมผัสที่หกก็คือจินตนาการสร้างสรร น, นั่นเองความสามารถของจินตนาการสร้างสรรอาจเป็นอะไรที่เราแทบไม่เคยใช้เลยตลอดชีวิตและถ้ามีโอกาสได้ใช้บ้างก็มักจะโดยความบังเอิญมากกว่ามีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้ใช้จินตนาการสร้างสรรจริงๆคนที่เข้าใจและรู้จักใช้มันก็คืออัจฉริยะบุคคล น, นั่นเอง จินตนาการสร้างสรรค์เป็นการเชื่อมโยงจิตใจที่มีขีดจำกัดของเราเข้ากับสิ่งที่ผมเรียกว่าอัจฉริยภาพแห่งจกกักรวาลศักยภาพของจินตนาการสร้างสรรค์ทำให้เราได้ค้นพบหลักการของนวัตกรรมทั้งที่เป็นพื้นฐานและคิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นไอเดียหลักการและความอย่างรู้ที่เข้ามาสู่จิตใจของเรามาจากแหล่งกาเนิดต่อไปนี้หนึ่ง จากจิตใจของผู้อื่นที่ให้ไอเดียและหลักการผ่านความคิดในระดับจิตสำนึก 2. จากจิตใต้สำนึกของเราเองซึ่งได้เก็บรวบรวมความคิดและความประทับใจทั้งหมดที่เคยเข้าสู่สมองเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5 3. จากแหล่งจิตใต้สำนึกของผู้อื่น 4. อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลไม่มีแหล่งอื่นใดนอกจากนี้ ที่จะให้แรงบันดาลใจและความอยางรู้แก่เราได้อีกแล้วเมื่อการทำงานของสมองถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าทั้งสิบดังที่ได้กล่าวแล้วตอนต้นมันจะยกระดับความคิดให้เหนือกว่าปกติทำให้คุณมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นและมีจินตนาการที่สูงขึ้นตัวอย่างเช่นความสามารถในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การยกระดับความคิดขึ้นโดยการกระตุ้นจิตใจนั้นเปรียบเสมือนว่าคุณกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นคุณจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆจากเบื้องบนและเหนือเส้นขอบฟ้าโดยที่เราไม่สามารถทำได้เมื่ออยู่บนพื้นดินเช่นเดียวกันกับขณะที่คุณกำลังมีจินตนาการอันสูงส่งคุณจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สนใจปัจจัยในการดำรงชีวิตทั้งสาม คืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยอีกต่อไปคุณจะเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความคิดใหม่ซึ่งปราะศะจากความคิดพื้นพื้นหรือความคิดในชีวิตประจำวันเปรียบเหมือนเวลาคุณอยู่บนเครื่องบินภูเขาและทุง่งหญ้าก็จะไม่สามารถมาบดบังทัศนวิสัยของคุณได้ขณะที่จินตนาการของคุณถูกยกระดับให้สูงขึ้น ความสามารถในการสร้างสารรค์ก็จะเป็นอิสระที่จะทำงานสัมผัสที่หจะทำงานได้อย่างเต็มที่เป็นสภาพที่พร้อมจะรับไอเดียซึ่งเราไม่สามารถจะพบได้ในสภาวะอื่นๆสัมผัสที่หกนั้นเป็นความสามารถพิเศษที่จะใช้แยกผู้ที่มีอัจฉริยภาพออกจากคนทั่วๆไปพัฒนาจินตนาการสร้างสารรค์ของคุณสิ่งเรา ที่กระตุ้นจิตใจอาจจะมีผลเพิ่มพลังความคิดแบบชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ปกติเรามักใช้สิ่งเราทั้งสิบเป็นแหล่งกำเนิดที่ทำให้คุณสามารถสื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลซึ่งผ่านเข้ามาทางจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองหรือแม้แต่ของผู้อื่นทั้งหมดนี้คือหนทางสู่อัจฉริยะยิ่งคุณใช้ความสามารถในการสร้างสารรค์มากเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้คุณกระตือรือร้อนและพร้อมรับปัจจัยซึ่งเกิดมาจากภายนอกจิตสำนึกมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณใช้ความสามารถในการสร้างสารรค์มากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งเกิดความคิดและมีไอเดียมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเราจะพัฒนาศักยภาพนี้ได้โดยการใช้บ่อยๆแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนเรา ก็พัฒนามาจากศักยภาพของสัมผัสที่หกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักเขียนนักดนตรีนักกวีล้วนยิ่งใหญ่ได้เพราะพวกเขารับฟังเสียงกระซิบแห่งจินตนาการสร้างสรรค์ผู้ที่มีจินตนาการอันกว้างไกลมักได้ไอเดียดีๆจากสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกล่วงหน้าหรือความสังห์ใจหนึ่งในนักพูดที่มีชื่อเสียงได้เปิดเผยว่า การพูดอันยิ่งใหญ่ของเขาเกิดเมื่อเขาหลับตาแล้วเริ่มใช้ความสามารถในการจินตนาการสร้างสรรค์เมื่อถามว่าทําไมเขาต้องหลับตาก่อนจะเริ่มพูดเขาตอบว่าผมทำเช่นนั้นเพราะสิ่งที่ผมพูดมาจากความคิดที่อยู่ภายในนักเศรษฐศาสตร์การคลังที่ประสบความสําเร็จมากคนหนึ่งมีนิสัยชอบหลับตาสองสามนาทีก่อนที่จะตัดสินใจทาอะไร เมื่อถามว่าทำไมเขาตอบว่าเมื่อหลับตาผมจะสามารถดึงเอาอัจฉริยภาพสูงสุดออกมาใช้งานได้ดรเอลเมอร์อาเกตสร้างสรรผลงานสิทธิบัตรมากกว่า2 0งร้อยายการโดยใช้ศักยภาพแห่งการสร้างสารรวิธีการของเขาน่าสนใจมากสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องการสร้างอัจฉริยภาพถึงแม้จะมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ไม่มากนักแต่ดรเกต ก็เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เขาเรียกห้องปฏิบัติการของเขาว่าห้องสื่อสารส่วนตัวเป็นห้องเก็บเสียงไม่มีแสงไฟอื่นใดในห้องมีเพียงโต๊ะตัวเล็กๆและกระดาษสำหรับจดบันทึกโต๊ะหันเข้าหากำแพงที่มีสวิตไฟเมื่อดรอกตอร์เกตต้องการดึงพลังแห่งจินตนาการสร้างสรรค์ออกมาใช้เขาก็เพียงแต่เข้าไปในห้องนั้นนั่งที่โต๊ะตัวนั้นปิดไฟให้หมด แล้วใช้สมาธิจดจ่อกับงานประดิษฐ์ที่เขากําลังทำเขาจะนั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าความคิดเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่เขายังค้นไม่พบจะแวบขึ้นมาในจิตใจครั้งหนึ่งความคิดมาเร็วมากจนเขาต้องใช้เวลาจดบันทึกถึงสามชั่วโมงเมื่อความคิดหยุดลงเขารีบกลับมาอ่านดูก็พบว่ามันคือหลักการซึ่งยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนในโลกวิทยาศาสตร์ คำตอบของทุกๆปัญหาของเขาล้วนแล้วแต่อยู่ในกระดาษโน้ตเหล่านั้นด็ตรเกตใช้วิธีด้วยการนั่งเพื่อค้นหาความคิดเขาทำเช่นนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวงานของบริษัทกับคนใกล้ชิดหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาที่ว่าจ้างให้เขาทำงานบางครั้งการใช้จิตใจเพื่อหาเหตุผลอาจมีข้อบกพร่องบ้าง เนื่องจากเราต้องดึงเอาประสบการณ์ในอดีต ท, ที่ค่อนข้างหลากหลายมาใช้นอกจากนี้ความรู้ที่เราได้จากประสบการณ์อาจไม่ถูกต้องก็ได้แต่ความคิดสร้างสรรค์ของเรามักจะถูกต้องมากกว่าเพราะมันมีที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือกว่านั่นเองวิธีแห่งอัจฉริยะบุคคลพร้อมแล้วสำหรับคุณ ความแตกต่างระหว่างอัจฉริยะบุคคลกับนักประดิษฐ์ทั่วๆไปก็คืออัจฉริยะบุคคลจะใช้ประโยชน์จากความสามารถทางด้านจินตนาการสังเคราะห์และจินตนาการสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์จะเริ่มประดิษฐ์คิดค้นโดยการจัดการและรวบรวมไอเดียหรือหลักการที่สะสมไว้จากประสบการณ์และจากศักยภาพในการสังเคราะห์ ความสามารถในการคิดหาเหตุผลถ้าความรู้ที่สะสมไว้ไม่เพียงพอนักประดิษฐ์ก็จะดึงเอาแหล่งความรู้มาจากศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์วิธีการที่นักประดิษฐ์ใช้นี้อาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละบุคคลแต่มีสาระสําคัญเหมือนกัน 1. น, นักประดิษฐ์จะใช้สิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นจิตใจของตัวเองให้ทางานมากกว่าปกติ 2. นักประดิษฐ์จะกำหนดรู้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ส่วนของงานประดิษฐ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วสร้างสรรภาพในใจของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้งานส่วนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยขึ้นมาต่อไปจึงนำภาพในใจนั้นลงไปสู่จิตใต้สำนึกแล้วผ่อนคลายปล่อยวางความคิดอื่นทั้งหมดรอจนกระทั่งเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นเองในจิตใจบางครั้ง อาจได้คำตอบที่ชัดเจนในทันทีทันใดหรือบางครั้งผลอาจเป็นลบก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัมผัสที่หกและศักยภาพแห่งการสร้างสารรค์โทมัสเอดิสันได้ลองผสมผสานไอเดียซึ่งแตกต่างกันนับหมืน่มนๆไอเดียผ่านศักยภาพในการใช้จินตนาการสังเคราะห์ของเขาก่อนที่จะปรับมันด้วยศักยภาพแห่งการสร้างสารรค์จนในที่สุด จึงได้ทำตอบในการประดิษฐ์หลอดไฟและใช้ประสบการณ์เดียวกันนี้กับการคิดค้นกล้องถ่ายรูปอีกด้วยบทวิจารณ์ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันของการมองการไกลการอย่างรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจแสงสว่างแห่งปัญญาความสังหอนใจความรู้สึกฮึกเหิมจินตนาการแห่งฝันคาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่อธิบายปรากฏการณ์ที่นโปเลียนฮิล ใช้กับคำทั้งสองที่เกี่ยวข้องกันคือจินตนาการสร้างสารรค์และอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจากการที่ฮิวได้ทำการศึกษาอย่างหนักถึงการทำงานของจิตใจทำให้เขารอบรู้เป็นอย่างมากบิดาแห่งจิตวิทยายุค ป, ปัจจุบันเช่นซิกมันฟรอยด์และคาวจุงก็ได้พยายามอธิบายถึงสัมผัสที่หกเช่นกันแนวคิดของจุง เป็นเรื่องการเก็บสะสมข้อมูลขณะที่เราไม่รู้ตัวก็คล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลของฮิวมากนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อะโคมิดิสนิวตันไอน์สไตน์จนถึงทีมงานของวัตสันและคลิกผู้ค้นพบ DNA พวกเขาบอกตรงกันว่าการค้นพบอันยิ่งใหญ่ล้วนมาจากการอย่างรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจของตัวเอง มหาวิทยาลัยดุ๊กได้ตั้งภาควิชาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนใช้เทคนิคตามวิธีของฮิวเพื่อสร้างการยังรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจของตัวเองและความคิดสร้างสรรค์นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้แก่ผู้ค้นพบโครงสร้างโมเลกุลของเบนซิน ด้วยจินตนาการแห่งความฝันนักจิตวิทยาออตโตโลวีผู้ใช้ความฝันทำให้ตัวเองได้รับรางวัลโนเบลและที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นคือเจมส์วัตสันผู้ค้นพบโครงสร้าง DNA โมสซาดเชลลีคอเลลิชฮักสเลเดสคาติสโรเบิร์ตลุยส์สตีเฟนสันล้วนยอมรับว่าการอย่างรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจ มีบทบาทสำคัญในความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาวิลเลียมเบรกเรียนรู้เคล็ดลับของขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ทองแดงจากความฝันวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้เชื่อมั่นในลางสังหรณ์ของตัวเองจึงทำให้เขารอดตายจากระเบิดในการโจมตีทางอากาศที่ลอนดอนดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องเอาชนะข้อสงสัยในเรื่องของจิตวิทย และการสะกดจิตให้ได้ก่อนที่ผู้คนจะยอมรับปรากฏการของฮิวที่เรียกว่าอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลก็เป็นเช่นเดียวกันยังไรก็ตามในช่วงปีคิตศ .1970 19 80, ถึง1980สังคมถูกกระตุ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยหนังสือเช่น The Intuitive Age ของฟิลิปกโกลเบิร์ Creative Dreaming ของพทซียกาฟิลและ The Right Brain Experience ของ Marilyn s e d e n e c k ถึงแม้ว่าเรื่องพวกนี้จะยากต่อการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่นักวิจัยยังคงตีพิมพ์เรื่องราวเหล่านี้อย่างท้าทายจบบทวิจารณ์ธรรมชาติได้สร้างสิ่งเร้าภายในตัวเราไว้แล้วเพื่อจะใช้กระตุ้นสมองและจิตใจให้เกิดความคิดดีๆไม่มีอะไรดีพอที่จะมาแทนที่สิ่งเร้าตามธรรมชาติได้ แต่อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ไม่เคยว่างเว้นจากอัจฉริยะบุคคลที่ใช้สิ่งร้าวจิตใจที่นอกเหนือธรรมชาติเอ็ดการ์อเลนโพเขียนเดอะราเวนขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ที่เขาดื่มส่วนแซมัวเทเลอร์คอเลลิชเขียนคูบลักานเมื่ออยู่ในความฝันขณะสูฟินและโรเบิร์ตเบิร์นเขียนผลงานที่ดีที่สุด เมื่ออยู่ในสภาพที่ได้สารเสพติดเกินขนาดแท้จริงแล้วพวกเขาเหล่านี้มีชื่อเสียงก็เพราะใช้สิ่งเร้าจิตใจที่นอกเหนือธรรมชาติแต่ที่สำคัญกว่าก็คือบทเรียนที่เราได้จากผู้คนมากมายที่ทำลายตัวเองด้วยการใช้ตัวกระตุ้นพวกนี้บทวิจารณ์ฮิวได้ชี้ให้เราตระหนักถึงอันตรายของการใช้สารกระตุ้นจิตใจที่นอกเหนือธรรมชาติ เช่นเดียว ก, กันกับละครโทรทัศน์เรื่อง Behind the Music ซึ่งออกอากาศในช่วงปลายปีคิเตศกราช1990เป็นเรื่องราวของดารานักร้องเพลงร็อกและเพื่อนๆในวงที่ประสบความสำเร็จในการออกอัลบั้มจนทำลายสถิติยอดขายสูงสุดหลังจากทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์พวกเขาได้หันไปใช้ยาเสพติดทำให้สูญเสียเงินทองไปจนหมด เมื่อถึงการแสดงครั้งสุดท้ายสมาชิกคนหนึ่งในวงได้รับยาเสพติดเกินขนาดในที่สุดวงก็แตกมีผู้แนะนำให้ดารานักร้องผู้นั้น บ, บําบัดรักษาภาวะติดยาเขาได้ออกโฆษณาโทรทัศน์เพื่อต่อต้านยาเสพติดในที่สุดด้วยศรัทธาของเขาและความเข้าใจจากครอบครัวทำให้เขากลับมาเล่นคอนเสิร์ตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ละครโทรทัศน์ จะนำเสนอแต่ชีวิตด้านลบของพวกเขาแต่มันก็เหมือนกับชีวิตจริงของนักร้องและนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนที่พึ่งพายาเสพติดจนทำให้ชีวิตพังทลายซึ่งมันควรจะได้สอนใจอะไรให้กับคุณบ้างคุณคงไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความสำเร็จเท่านั้นแต่คงต้องการอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อชื่นชมมันด้วยจบบทวิจารณ์อัจฉริยะบุคคลล้วนแล้วแต่รู้ดี ว่าการใช้สารกระตุน้นพวกแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเป็นการทำลายตัวเองสำหรับบางคนที่ไม่ควบคุมการแสดงออกทางเพศของตนเองก็เป็นผลเสียคนที่หมกมุ่นในเรื่องเพศก็ไม่แตกต่างจากคนที่ติดยาเสพติดคนทั้งสองประเภทนี้จะสูญเสียศักยภาพและอำนาจจิตไปสัมพันธภาพทางเพศอาจมีส่วนผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆ แต่ถ้ามันรุนแรงเกินไปก็เปรียบเสมือนพายุไซโคลนซึ่งทำให้เราไม่สามารถควบคุมมันได้ใครก็ตามที่ใช้กำมรมเป็นแรงพลังผลักดันตัวเองผู้นั้นอาจจะประสบความสำเร็จแต่การปฏิบัติของเขามักไม่เป็นระบบและมีอำนาจทำลายล้างแฝงอยู่เป็นความจริงที่ว่าอาจมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงินหรือธุรกิจ โดยใช้แรงกระตุ้นจากพลังทางเพศอย่างปราศจากการควบคุมตัวเองแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าคนพวกนี้มักจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตหรือไม่อาจชื่นชมกับความมั่งคั่งที่ได้มาผู้คนนับพันที่สามารถหลีกเลี่ยงหลุมพรางนี้ย่อมจะมีความสุขไปพร้อมกับความร่ำรวยได้จากการที่ผมได้วิเคราะห์ผู้คนมากกว่าสอ0 0คนพบว่าคนส่วนใหญ่ มักจะประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่ออายุเลย4ี่ถึงห้าสิบปีไปแล้วข้อเท็จจริงอันน่าประหลาดใจนี้ทำให้ผมพยายามศึกษาถึงเหตุปัจจัยนี้อย่างตั้งอกตั้งใจจากการศึกษาวิจัยของผมพบว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนเรายังไม่ประสบความสำเร็จในช่วงวัยหนุ่มสาวก็เพราะเรามักจะสิ้นเปลืองพลังที่มีในตัวไปกับเรื่องที่ตามใจตัวเองคนส่วนใหญ่ มักไม่รู้ว่าพลังทางเพศมีศักยภาพอื่นนอกเหนือไปจากการแสดงออกมาทางกายและกว่าจะรู้พวกเขาก็สูญเสียช่วงเวลาสำคัญซึ่งพลังทางเพศถึงขีดสุดไปแล้วผู้คนส่วนใหญ่มักรู้เรื่องนี้โดยบังเอิญและไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังดึงพลังนั้นมาใช้อยู่หรือบางทีพวกเขาก็รู้ว่าพลังแห่งความสาเร็จของเขากาลังเพิ่มขึ้น แต่อา จ, จไม่รู้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าธรรมชาติได้เริ่มผสมผสานอารมณ์แห่งรักและกามอารมณ์เข้าด้วยกันทำให้เขาสามารถใช้มันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อผลักดันให้ทำสิ่งต่างๆได้ความรักนั้นสำคัญชนยัยความรักความโรแมนติกและกามารมณ์เป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวขึ้นสู่ความสาเร็จสูงสุดได้ อารมณ์ทั้งสามนี้จะช่วยยกอัจฉริยภาพของคุณให้สูงขึ้นใครก็ตามที่ตกอยู่ในห้วงความรักแท้จะตระหนักรู้ว่ามันเป็นหนทางอันยาวไกลความรักนั้นจะมีอิทธิพลต่อเรายาวนานเพราะความรักเป็นจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติของมนุษย์ผู้ที่ไม่สามารถใช้ความรักกระตุ้นตัวเองให้ก้าวขึ้นสู่ความสาเร็จได้ผู้นั้นค่อนข้างสิ้นหวังเขาเหมือนคนที่ตายไปแล้ว ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองโชคไม่ดีเพราะเคยมีรักแล้วกลับสูญเสียมันไปคุณอาจเข้าใจผิดเนื่องจากคนที่มีความรักในหัวใจจะไม่สูญเสียความรักไปตลอดความรักนั้นไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงง่ายมันพอใจจะมามันก็มาและอาจไปจากเราง่ายๆโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อใดมีความรัก จงเปิดใจรับและมีความสุขไปกับมันแต่เมื่อมันจากไปก็อย่าอาลัยอาวรเศร้าเสียใจไปก็ไม่ช่วยให้ความรักกลับคืนมาจงขับไล่ความคิดว่าความรักจะย้อนกลับมาความรักอาจไปไปมามาในหัวใจของเรานับครั้งไม่ถ้วนแต่จะไม่มีสองประสบการณ์รักที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีเพียงรักเดียวเท่านั้น ที่จะประทับลึกเข้าไปในหัวใจของเราประสบการณ์แห่งรักมีประโยชน์สําหรับทุกคนเวน้นแต่คนที่เครียดแค้นและเห็นแก่ตัวเมื่อต้องสูญเสียความรักไปความทรงจําเกี่ยวกับความรักสามารถยกระดับจิตใจของเราได้การย้อนเวลากลับไปในอดีตจะฉาบทาจิตใจของเราด้วยความรักที่แสนงดงามช่วยลดความกังวล ทำให้เราหลุดพ้นไปจากความขมขื่นในชีวิตจริงนอกจากนี้การเข้าไปสู่โลกของจินตนาการแห่งความรักช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นจิตใต้สำนึกของคุณอาจช่วยให้ไอเดียดีๆและช่วยวางแผนงานที่อาจเปลี่ยนสถานะทางการเงินและจิตวิญญาณของคุณไปโดยสิ้นเชิงจะไม่มีคำว่าท้อแท้สิ้นหวังสาหรับความรัก ถ้าทุกคนเข้าใจความแตกต่างระหว่างอารมณ์รักและความรู้สึกทางเพศความรักเป็นอารมณ์ที่มีลักษณะหลากหลายแต่ที่รุนแรงมากที่สุดคืออารมณ์รักที่ผสมผสานไปกับความรู้สึกทางเพศการแต่งงานซึ่งความรักไม่ลงตัวกับเรื่องเพศจะทำให้คู่รักไม่มีความสุขถ้ามีแต่ความรักหรือความรู้สึกทางเพศเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เราอาจจะไม่มีความสุขความรักเป็นเรื่องของจิตวิญญาณส่วนความรู้สึกทางเพศเป็นเรื่องของสรีระร่างกายการที่พลังแห่งจิตวิญญาณเข้าสู่จิตใจของเราไม่ทำให้เกิดโทษใดๆเวน้นแต่ว่ามันจะเจือปนด้วยความอิจฉาริษยาอารมณ์ทำลายล้างจะทำลายความยุติธรรมในจิตใจเราเปรียบเสมือนนักเคมี ที่สามารถทํางานกับสารเคมีได้โดยไม่เกิดอันตรายกับตัวเองและสามารถผสมผสานเคมีซึ่งเป็นพิษถึงตายได้ในทํานองเดียวกับการผสมก า, มารมรรณมเข้ากับความอิจฉาริษยาอาจทําให้เกิดผลรุนแรงถึงชีวิตได้ความรักเป็นอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยสร้างสมดุลมีเหตุผลทาให้คนเราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัว จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าความรักได้ให้ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตเรามันยังทําให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้เมื่อความรักนาหน้าอารมณ์มันจะนําทางให้คุณไปสู่พลังแห่งการสร้างสารรค์หนทางสู่อัจฉริยะประกอบไปด้วยการพัฒนาการควบคุมกรรมลมและความรักกล่าวโดยสรุปคือ พยายามกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เชิงบวกขึ้นและป้องปรามอารมณ์เชิงลบจิตใจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์จากความเคยชินมันจเจริญ ง, งอกงามได้จากความคิดหลักที่หล่อเลี้ยงมันอำนาจจิตของคุณอาจทำให้คุณกระตุ้นอารมณ์หนึ่งและป้องปรามอีกอารมณ์หนึ่งการใช้พลังอำนาจที่คุณมีควบคุมจิตใจนั้นไม่ใช่เรื่องยากการควบคุมนั้นมาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวคุณ เคล็ดลับของการควบคุมก็คือความเข้าใจกระบวนการของการแปลสภาพเมื่ออารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นในจิตใจเราสามารถแปลเปลี่ยนมันให้เป็นบวกได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับที่เราใช้เปลี่ยนความคิดหนทางไปสู่อัจฉริยะก็คือการใช้อานาจจิตใจเพื่อควบคุมตัวเองนั่นเองเมื่ออารมณ์แห่งสเสน่หาเสริมกับความรักและการมณ์ อุปสรรคที่ขวางกัน้นระหว่างจิตใจกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลก็จะหมดไปเมื่อนั้นอัจฉริยภาพในตัวเราก็จะเกิดขึ้นความสำเร็จไม่ต้องการคำอธิบายความล้มเหลวไม่ยอมรับคำแก้ตัว